อันุขย่างมุ่งไปโปรดรับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนมัดตะบันตาจังหวัดอุดรธานีเทศอุปรมพระและฆราวาสที่ศาลาวัดขน้อยสัมหารณวันที23่23เมษายนพศ2523 วันนี้ท่านนับใจบุญทั้งหลายได้มารวมกันเป็นจำนวนมากทั้งฝ่ายพระก็เพิ่มฝ่ายประชาชนก็เพิ่มขึ้นมากเจรณาฟังให้เกิดประโยชน์ธรรมของพระพุทธเจ้าล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นจนกระทั่งถึงประโยชน์มหาศาลไม่นอกเหนือจากธรรมนี้เลย ธรรมจึงเป็นพื้นฐานของโลกให้ได้รับความร่มเย็ยนเป็นสุขโดยทั่วกันบรรดาผู้มีความสนใจในธรรมนับแต่ส่วนย่อยจน ถ, ถึงส่วนใหญ่ไม่ว่าฝ่ายประชาชคนไม่ว่าฝ่ายพระชชผู้มีความหนักแน่นในธรรมมากเพียงไรย่อมยิ่งมีความสุขความสงบเย็นใจมากอย่างนั้น รมนั้นกระเทือนโลกมาแล้วประมาณ 2,500 กว่าปีในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราคือรมนี้เป็นธรรมชาติที่มีอยู่ดั้งเดิมมาตลอดกาลแต่มีสามารถฉราดรู้และเลื่อฟื้นทำซึ่งเป็นของมงอยู่แล้วขึ้นมาให้โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจ จึงเหมือนกับทําไม่มีแม้สมัยที่เป็นสุญญากับก็ตามคําว่าสุญญากับหมายถึงคำว่ากล่าวจากคําว่าบุญบาปนรกสวรรค์นิพพานก็ตามแต่ธรรมเหล่านี้มีอยู่ทั้งนั้นในวะญญนั้นไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดาสามารถที่จะกุดค้นทําซึ่งเป็นของมีงอยู่นั่น ขึ้นมาเพราะเวลานั้นเป็นเวลาที่จิตใจของโลกไม่สนใจไปทํธรรมเลยนอกจากสนใจในสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเท้าโดนตัวเองและผู้อื่นจึงกลายเป็นสัญญีสัตว์ในสมัยนั้นทำว่ามนุษย์เป็นสัตว์ก็หมายถึงศาสนาไม่มีในหัวใจมนุษย์เลย ขณะใดก็ตามท่านเรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ได้แม้ศาสนามีอยู่ก็ตามาครูไม่สนใจในอัดในธรรมในศาสนาคือคงามความดีและบาปบุญอะไรบ้างเลยแล้วคุณนั้นถ้าจะเทียบรถก็เรียกว่ารถไม่มีเบร็มีแต่คันเร่งอย่าง <c oughs> เร่งไม่หยุดไม่ถอยเร่งจนเสียจนลงครอง รถก็จมไปคนก็ตายไปแต่รถยกขึ้นมาได้ซ่อมแซมขับขี่ไปมาได้อีกคนไม่มีทางที่จะซ่อมแซมได้เหมือนรถตายไปโดยคำว่าเหยียบคันเร่งหมายถึองอันตรายถ้าจิตใจหาอัธถาศัยทำไม่ได้ย่อมจะเป็นไปตามความอยาก ไม่มีขอบมีเขตมีเหตุ ม, หตมีผลเป็นเครื่องยับยัง้งช่างตัวบ้างเลยส่วนมากจะต้องเป็นปัญหาทางที่ต่ำเสมอเช่นเดียวกับน้ําย่อมไม่ไหลขึ้นสู่ที่สูงนอกจากถูกกดดันขึ้นไปเท่านั้นน้ําถึงจะขึ้นไปตามธรรมดาต้องไหลลงสู่ที่ต่ําจิตใจที่มีธรรมชาติที่ต่ําและเป็นเครื่องเป็นสินหนักกดท่วงอยภายในจิตอยู่แล้ว กิริยาแห่งการแสดงออกทางกายวาจาใจย้อนจะเป็นทางต่ำเสมอไปด้วยอำนาจแห่งสิ่งที่กดดันหรือผลักดันอยู่ภายในใจนั้นมันเป็นของต่ำอยู่แล้วนี่ล่ะที่วาสาสนามีขึ้นมาก็เพราะท่านผู้เสดียวฉลาดทั้งพระพุทธเจ้าในสมัยปัจจุบันของเราเนตประกาศทมสอนโลกขึ้นมาสอง0ัน้าร้อย ปีกว่านี้ตัวหนึ่งว่าธรรมพึ่งมีความจริงนั้นธรรมมีอยู่ตลอดกาลเช่นเดียวกับวัตถุแแท่ธาต่างๆซึ่งมีอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้เราไม่มีความเฉลียวฉลาดเยียบย่ำไปมาอยู่กี่กับกี่กันก็ไม่สามารถที่จะยังแแท้ธาต่างๆนั้นให ปรากฏตัวขึ้นมาและนําไปทําประโยชน์ต่างๆตามคุณภาพของมันและความฉลาดของตนได้เรื่องคำของพระพธธุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีควาฉลาดที่ยวกัุดค้นและนำแม่ธาตุต่างๆนั้นมาทําประโยชน์ก็เป็นประโยชน์แก่โลกได้ตามคุณภาพของมันและความฉลาดของนายช่าง พระพุทธเจ้าไม่มีใครจะียดเดยวฉลาดในความเป็นในขา้งสั่งสอนตัดโลกมีพระพุทธเจ้าเป็นเป็นที่หนึ่งสาวกอรหัตรหานเป็นที่สองในการอบรมสั่งสอนคนให้ดีเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนพระองค์ให้เป็นคนดีก่อนเมื่อเป็นคนดีอย่างเต็มที่เรียกว่าเป็นคนดีสุดยอดแล้วก็นำธรรมที่ ทรงบำเพ็ญมาที่ปรากฏเป็นผลสุดยอดแล้วนั้นมาสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายเริ่มมีสาวกขึ้นมาองที่หนึ่งที่สองก็เนื่องจากได้สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าเพราะทันเหล่านี้เป็นผู้มุ่งต่อความจริงอยู่แล้วอย่างเต็มใจในสมัยศาสดาของเราก็มีเป็นเจ้าขีทั้งห้า เป็นสาวกองแรกเมื่อได้สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นอิทซึ่งยิ้มแย้มแส่มใสคอยจะรับทมอันมีค่าอยู่แล้วก็เข้ากันได้อย่างสนิทโดยไม่ยากอะไรเลยจึงปรากฏสาวกขึ้นมาห้าห้าองค์จากนั้นพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายก็ช่วยกันนำธรรมนี้ แนะนำสั่งสอนลกูกจนกว้างขวางไปโดยลำดับกระทั่งทุกวันนี้เพราะฉะนั้นคำว่านายช่างนี้ไม่ว่าช่างอะไรก็ตามช่างบ้านช่างเรืองช่างสร้างเรือนช่างเหล็กช่างลาอะไรก็แล้วแต่ช่างมีความชำนาญเท่าไรย่อมสามารถติดจำวัตถุนั้นๆให้มีความสวยงามมั่นคงขึ้นได้มากเท่านั้น ไม่สักแตว่าช่างเฉยๆมี่คำว่าครูว่าอาจารย์ก็พระพุทธเจ้าเป็นบร ม, มครูบรมแล้วก็หมายถึงเยี่ยมเป็นครูที่เยี่ยมสาวกทั้งหลายก็รองลำดับพระพุทธเจ้าลงมาท่านที่กล่าวมาสองรัตนนี้ได้แก่พระพุทธเจ้าพระสงค์สาวกนี้เป็นในช่างวิเศษรองลำดับจากพระพุทธเจ้าลงมา เพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้ได้ผ่านมาแล้วทั้งฝ่ายเหตคือการสะพตดปฏิบัติเพื่อหักธรรมอันยอดยิ่งทั้งผลก็ได้ปรากฏเป็นที่พึงพอใจมาอย่างเต็มพระไทยและเต็มใจของสาวกทั้งหลายแล้วก็นำธรรมเหล่านั้นมาสั่งสอนทั้งอุบายวิธีละ ถอดถอนทั้งวิธีบำเพ็ญให้เป็นขึ้นภายในจิตใจในบรรดาธรรมทั้งหลายซึ่งควรจะเกิดถ้าภายในจิตใจเท่านั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดของธรรมด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติก็ดีท่านผู้สอนก็ดีจึงสอนมุ่งลงทางจิตใจเป็นสำคัญการฟังธรรมพระพุทเจ้าก็ทรงสั่งสอนให้รู้วิธีฟังให้เกิด ผ, ผลประโยชน์ในขณะที่ฟัง ออนิสงหรือว่าสิ่งที่จะรับผลในขณะที่ฟังนั้นท่านก็กล่าวไว้แล้วในห้าประการนี่จะกล่าวเพียงประการสุดท้ายว่าจิตผู้ฟังย่อมสงบของใสน่ะนี่เป็นข้อที่5ข้อที่หนึ่งที่สองท่านก็ว่าไปโดยลำดับจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง สิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วจะทําสิ่งนั้นให้แจ่มแจ้งขึ้นโดยลําดับจะบันเทาความสงสัยเสียได้จะทําจิตให้ตรงต่อความจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนนั้นแล้วจิตผู้ฟังย่อมมีความสงบผ่องใสนี่จึงหมายถึงใจรุ่นร้วนในบรรดาธรรมทั้งหลายเพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกายนั้นเป็นแต่เพียงผู้รับบัญชาเป็นเครื่องมือของจ่าย การสอสแสดงในกิริยามายาตออกมาในท่าต่างๆผิดถูกขี้วดีประการใดจึงขึ้นอยู่กับใจซึ่งเป็นหัวหน้าเป็นรายงานดังนั้นใจจึงควรได้รับการอบรมให้ถูกต้องดีงามเพื่อจะได้ระบายออกมาหรือใช้เครื่องมือได้แก่กายวาจานี้ให้ถูกต้องตามเหตุตามผลตามหน้าที่การงานได้รับผลประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นด้วย ไม่ทำแบบสุม่มสีุ่่มห้าพูดแบบสุม่มสีุ่่มห้าเพราะการไม่ได้ออกลมนี่ทำเป็นของจำเป็นอย่างนี้ในครั้งพุทธการเราเคยได้ยินอยู่เสมอการตำรับตำลาว่าผู้ฟังธรรมฉพาะพระภักของพระพุทธเจ้านั้นได้บรรลุธรรมนะับตั้งแต่ขั้นโสดาสขึ้นไปโดยลำดับนะจนกระทั่งถึงอรหัตตบุคคล นี่เหมือนกับว่าจะเป็นสิ่งที่เกินความสามารถเกินความเชื่อของเราทั้งหลายเสียเหลือเกินเหมือนกับว่าเรานี่ไม่ใช่มนุษย์คนหนึ่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงสั่งสอนสัตว์โลกก็เหมือนไม่ใช่มนุษย์คนหนึ่งผู้ฟังทั้งหลายในตั้งนั้นก็เหมือนเทวดามาฟังที่พวกเราทั้งหลายเหมือนกับไม่ใช่มนุษย์ความจริงก็ เป็นมนุษย์เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านก็เกิดขึ้นมาในถ้ำกลางกิเลส ต, ตันหาอาสวะคือความโลภโกรธหลงมีเต็มพระทยัยเช่นเดียวกับพวกเราพระสาวกทั้งหลายที่เป็นสณะของพวกเราได้เต่งวาจาถึงท่านดูตลอดมาทุกวันนี้ท่านก็เกิดในถ้ำกลางแห่งกิเลสพ่อกับแม่ท่านเป็นคนมีกิเลสองท่านเองก็เป็นคนมีกิเลสเป็นเครื่องยืนยันพาให้เกิดมา เป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยกิเลสเหมือนอย่างเราเป็นแต่เพียงว่าท่านได้ยินได้ฟังพระอุวาทของพระพุทธเจ้าและพระองค์เองก็ทรงขุดค้นอัตธรรมด้วยความเอาจริงเอาจังหรือจะพูดถึงเรื่องบา ร, รมีพระองค์ท่านก็ทรงสั่งสมมาเป็นเวลานานพอสมควรเพราะปรารถนาเพื่อคลเป็นความเป็นาศาสดาของโลกก็ต้อง ทำใหญ่โตให้สมความเป็นศาสดาจะลื้อขนสัตว์ทั้งโลกสงสารนี้ให้พ้นจากทุกไปได้โดยลําดับตามกําลังของศาสดาบรรดาสาวกทั้งหลายท่านก็เหมือนกันกับพวกเราการสร้างบา ร, รมีเราทุกคนก็สร้างด้วยกันการให้ทานเราพูดได้เราพูดได้เต็มปากมากชาวพุทธของเรานี้ให้ทานเป็นประจำทุกวันรู้สึกว่าไม่ขาดเลย การรักษาศีลก็มีแม้จะมีจำนวนมไม่มากก็มีส่วนการเจริญเมตตาภาวนาเพื่อความสงบเห็นประจักษ์ใจนั้นอาจมีจำนวนน้อยแต่ถึงอย่างไรก็ตามคุณงามความดีนั้นเมื่อเราทำอยู่แล้วย่อมเป็นความดีเสมอไปท่านจึงสอนให้อบรมทางด้านจิตตาภาวนาเหมือนกับการสร้างทำนบใหญ่อว้ เวลาน้ำไหลามาจากที่ต่างๆไม่ว่าทางด้านไหนๆก็ไหลลงมารวมที่ทำนบใหญ่นั้นให้ปรากฏเต็มด้วยน้ำเป็นที่อาบดื่นใช้สอยอย่างสะดวกสบายนี่จิตตาพรนาจึงเป็นเหมือนทำนบใหญ่สำหรับรวมแห่งคุณงามความดีทั้งหลายจะมาจากทานกีก่ปีกี่เดือน กี่กับกี่กันก็ตามที่เราได้สร้างไว้แล้วจะมารวมที่ใจดวงดวงนี้เป็นภาชนะอันสำคัญศีนรักษามามากน้อยตลอดเราเคยเจริญเมตตาภาวนาก็มารวมอยู่ที่กิจกภาวนานี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันการสร้างพระบารมีม า, มามากน้อยพระองค์ยังไม่ทรงทราบเลยว่าเคยสร้างมาม า, มากน้อยเพียงไร แต่พอได้สร้างทำนบอันใหญ่โตละหูฐานนี้สำเร็จลงไปแล้วจึงปรากฏเต็มด้วยน้ำคำว่าน้ำหมายถึงมหากุศลอันอัศจรรย์เต็มอยู่ในพระทัยของพระพธธุทธเจา้าจึงสามารถแจกจ่ายบรรดาศัตด์ทั้งหลายไม่มีวันบกบางสิ้นเปลืองไปเลยเต็มอยู่ตลอดเวลากระทั่งวาระสุดท้าย จะปริพานก็ประทานเท้าวา่าจะบรรณาสงสาวกและประทานศาสนาธรรมไว้สำหรับพวกเราทั้งหลายได้อาบดื่มใช้สอยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้คำว่าอาบดื่มใช้สอยนั้นได้จกกการประพฤติธปฏิบัติตามส่งการให้ทานตามธรรมดาเราก็ไม่ทราบมันมีผลอย่างไรแต่เมื่อ มีธรรมะเป็นเครื่องแสดงบอกอยู่แล้ ว, ลวเราก็พอเข้าใจว่าการให้ทานมีผลเช่นนั้นการรักษาศีลมีผลเช่นนี้การเจริญเมตตามีผลเช่นนั้นเช่นนั้นเราได้อาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้ด้วยพระเมตตาสุขส่วนไม่มีใครเสมอในโลกนี้ขึ้นชื่อว่าเมตตาแล้วพระพุทธเจ้าเป็นที่หนึ่งการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลก กว้างแคบขนาดไหนใครจะมีภาระมากยิ่งกว่าศาสดาในหลักธรรมท่านกล่าวไว้มีห้าประการว่าเป็นพุทธกิจคืองานประจําของพระพุทธเจ้ามีถึงห้าประการในวันคืนหนึ่งหนึ่งคือข้อหนึ่งวัดซาญเทศธรรมเทสนัตอนบ่ายสามโมงสี่โมงเย็นลงลงไปแล้วทรง ประธานพระโอวาทแก่ประชาชนนับแต่ราชามหากรรษัตัิยรเศรษทีกระดุมพีลงมาโดยลำดับต้องฝ่ายคารวะถัดจากนั้นไปก็ปาโดเซพิกุโอวาดังให้ประธานโอวาทแก่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นประจำตามแต่ พระสงฆ์เหล่านั้นจะมีภูมิอัดภูมิธรรมขนาดขนาดไหนสอนตั้งแต่ธรรมพื้นพื้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติปุพนพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่มีอัดมีอัน้นเพราะเต็มอยู่ในพระทัยหมดแล้วบรรดาธรรมทั้งหลายที่นำมาสอนโลกพระองค์ได้บรรจุไปแล้วด้วยความรู้แจ้งแทงตลอดไม่มีบกบางจึงทรงน้ำว่าเป็นาศาสตาเอกของโลก ตอนหกทุ่มปะ บ, บาปบเบวิโลกาลนังอัทรัเตเทวปัญหากรรมตั้งแต่หกทุ่มล่วงไปแล้วทรงแก้ปัญหาและและเทศนาสอนเ ท, เทวบุตรเทวดาอินพรหมทั้งหลายที่มาจากชั้นต่างๆนับตั้งแต่หกทุ่มล่วงไปแล้วทรงแก้ทั้งปัญหาการไต่ถามของเทวดาทั้งหลาย ทั้งประธานพระโ์าวาทให้บรรดาเทวราชหลายได้รับผลประโยชน์ทั่วถึงกันนี่ตอนหกทุ่มร่วงไปแล้วพอตอนแปดฤตปชิมยามร่วงไปแล้วทางกลาวไว้เป็นบทบาลีว่าตับบาปบเบวิโลกานัง สูงเลงเลงยานดูสัตว์ตะวโรผู้มีอุปนิสัยปัจจัยที่ควรจะได้รู้อัดลู้ธรรมหรือบันลูธรรมกะเพาะอย่างยิ่งอรหัตตธรรมแต่ชีวิตอันตรายจะถึงตัวผู้นั้นหนไม่ช้าเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาพระองค์ก็เสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนเพราะจะขาดผลประโยชน์อันใหญ่หลวงไปเสียที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งชาติ พอที่จะรับผลประโยชน์อันอัศจรรย์ภาณในใจิตใจก็พอดีอันตรายคือความตายนั้นจะเข้ามาถึงเสียหากพอแก้ไขได้พระพุทธเจ้าก็รีบสเสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนจนได้สำเร็จอรหัตสมักอราตผลเต็มภูมิแล้วก็ปล่อยไปตามสภาพแห่งสังขารธรรมซึ่งเป็นกองอิจังทุกขงาาังหนาตาเช่นเดียวกับโลกทั่วๆไปมีเป็นข้อที่สีปัจจุเสปินปาตันจา ตอนเช้าก็เสด็จออกบินพบาทโปรดสัตว์ในครั้งพุทธกาลนั้นท่านโปรดสัตว์จริงๆตายไม่มีความมุ่งหวังปัจจัยไตยธานอามิตรโลกามิตรใดๆกับบรรดาปชาชนทรงไปโปรดสัตว์ด้วยพระพระเมตตาสงสารทางน้ำพระไทยเขาผู้สิจาวจริงๆแม้สาวกท่านก็ไปแบบเดียวกันมีความสงสารสงเคราะห์ เพื่ออนุเคราะห์เขาเขาได้ให้ทานมากน้อยเขาได้พบได้เห็นท่านชั่วการชั่วเวลาที่เรียกว่าสมนานันจะดัชนันการเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดในขณะนั้นเขาก็ได้เห็นสมณะผู้เป็นมงคลอันสูงสุดเป็นสมณะที่สูงสุดด้วยได้แก่สมณะที่สี่คืออรหัตตบุคคลหรืออรหัตตภิกษุ คำว่าสมณะนั้นมีอยู่สสมณะที่หนึ่งคือพระโสดาสมณะที่สองคือพระสกิทาคาสมณะที่สามคือพระอนาคาสมณะที่สี่คือพระรหัตบุคคนเขาทั้งได้เห็นสมณะผู้สงบคายวาจาใจเป็นผู้ลอยบาปเสียแล้วโดยสิ่นเชิานภาในใจมีใจที่บริสบุตรล้วน ไปบินถมา ก, ก็เพื่อโปรดสัตว์จริงๆอนุเคราะห์เขาจริงๆเขาให้ทานมากน้อยเพียงไรก็เป็นผลเป็นประโยชน์แก่เขาเพราะท่านเป็นปุญญคตังโลกัสะเป็นเนื้อนาบุญอย่างแท้จริงอืไม่ไม่มีเนื้อนาบุญใดที่ยิ่งไปกว่านั่นครั้งพุทธกาลท่านทําจริงจังอย่างนั้นจนเป็นผลที่เป็นที่พึงพอใจพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงบำเพ็ญอย่างนี้ คือพุทธกิจห้าไม่ทรงละความลำบากลําบนใครจะเกินพระพุทธเจ้านับตั้งแต่การบําเพ็ญจนกทั่งถึงตรัสรู้ก็เป็นความลําบากทรมานประการหนึ่งพอได้ตรัสรู้แล้วถึงขั้นความเป็นศาสดาของสัตว์โลกก็ทําหน้าที่แห่งความเป็นศาสดาด้วยพระเมตตาสั่งสอนสัตว์โลกทั้งใกล้ทั้งไกล สามโลกธาตุนี้พระองค์เป็นครูทั้งนั้นตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าสัทธาเทวมนุษษาหนะังพระพุทธเจ้าจงเป็นครูทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคำว่าเทวดานี้ตั้งแต่ชั้นต้นยุคลุคเทวดาขึ้นไปจงกระทั่งถึงค้ามาหาพรหมในแหล่งโลกธาตุนี้เป็นลูกติ์ของสถาคตทั้งนั้นไม่มีใครที่สามารถจะเป็นครูของศาสานาได้เพราะฉะนั้น ในพุทธคุณบทนี้จึงประกาศให้เขาให้เราทั้งหลายได้เห็นได้ยินอย่างเด่นชัดว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นครูทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคนสามารถที่จะเป็นครูแห่งเทวดาอินพรมทั้งหลายได้แต่เป็นคนประเภทใดถ้าไม่เป็นเป็นคนประเภทเหนือโลกเหนือใจพวกนี้ก็คือพระพุทธเจ้า ทรงบรรุโลกุตตระธรรมที่เป็นธรรมเหนือโลกแล้วก็เป็นบุคคลที่เหนือโลกจึงสามารถสั่งสอนโลกได้อย่างเต็มพูดเรื่อยมานี่พูดถึงเรื่องความลำบากพระองค์ไม่ทรงสนพระทัยในความลำบากยิ่งกว่าอยากให้ัโลกทั้งหลายได้รับผลประโยชน์จากพระองค์มากน้อยเท่าที่เขาจะสามารถรับได้และเท่าที่พระกําลังของพระองค์ที่จะอํานวยทางสุขภาพ นี่บรรดาสาวกทั้งหลายก็ดำเนินตามแบบนั้นเหมือนกันเนี่ยศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงไว้กวด็ดีพระสาวกทั้งหลายทรงไว้กวด็ดีเป็นศาสนาแท้แท้ร้อยเปอร์เซ็นไม่มีบินสมบูรณ์เต็มที่ในศาสนาธรรมดังที่ว่าไปบินถามาตนั่นแหละโอดขาดโลกโตจริงๆไม่มีความคิด โลการมิตความโลกแฝงขึ้นมาภาณาจิตดังมีในตำนานอันหนึ่งจะเล่าให้ฟังเป็นข้อบประกอบเยียบยี่ที่อาจยังย่อยว่ามีภิกษุองค์หนึ่งท่านยังไม่ได้สำเร็จพระหรหันต์แต่จิตใจของท่านมีภูมิันสูงขณะที่จะกล้าออกจากสถานที่ที่บำเพ็ญตะบินขามามะจิตรู้สึกแยบขึ้นมาว่าวันนี้ประชาชนเขาจะเอาอาหาร อันประนีปรรจออย่างไรใส่บาตรให้เราบ้างมีจิตใจเพียงยับขึ้นมาซึ่งสำปรยุทธ์เพื่อความโลภอันเป็นกิริยาของคนละโมกโลกมากไม่ใช่กิริยาของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัด ก, กิเลสอาศวะท่านาทราบทันทีท่านเลยหยุดในขณะนั้นไม่ไปบินขบาทเลยท่านดัดกิเลสตัวมันโลกตัวนี้เลยไม่ไปบินขาบามันนั้นไม่ฉันและวันหลังจะเริ่มไปบินขบาทคอยสังเกตตัวกิเลส ที่โลก ม, กมากมากไม่มีเมืองอิ่มพอนี้จะแสดงขึ้นหรือไม่กิเลสตัวนี้ก็เลยเหมาะท่านจึงไปบินถ้าบาทมาด้วยความเป็นธรรมทั้งไปทั้งกลับตลอดสายนี่แหละท่านบินถบาทเป็นอย่างนั้นท่านโปรดสัตว์จริงๆมาสมัยทุกวันนี้มันตรงกันข้ามเลยกลายเป็นตัดโปรดพระซะแล้วฮอเพราะเหตุไรเราทําไม่ปิจริงเป็นจังตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามันก็กลายเป็นโลกนะ ทรงาศาสนากลายเป็นโลกมันยิ่งน้ายิ่งกว่าโลกไปอีกฉะนั้นเราผู้ปฏิบตัติจึงต้องทาจริงทาจังตามหลักธรรมของพระพุทธเจา้าผลที่จะพึงได้ครับนั้นไม่ต้องสงสัยคำกล่าวไว้ในธรรมว่าอาการิโกนะไม่มีการมีเวลาในธรรมกุลท่านกล่าวไว้ว่าสวรรคตพระพวตาธรรมโม พระธรรมอันพระภูมิพระภาคเจ้าตราสไว้ชอบแล้วคําว่าชอบชอบทุกแง่ทุกมุมในข้อขอัดข้อธรรมทุกขั้นทุกตอนตั้งแต่ธรรมขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุดพิมุติพันิพานเป็นเข็มทิศทางเดินอันถูกต้องถึงจุดที่หมายปราทางได้ด้วยกันหมดเพราะสุขขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้ผู้ปฏิบัติตามจึงกลายเป็นนิยานยากิกธรรมนํำกิเลสตัณหาอสระที่เป็น้าตจุดอยู่ภายในจิตใจของตนให้ออก พ้นจากตัวไปได้โดยลำดับตัดทิ้งไปโดยลำดับจนกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ไปได้พ้นจากทุกโดยิ้นเชิงเพราะนิยานิกนระทัมนี่ในธรรมบทธรรมคุณท่านกล่าวไว้อย่างนี้สันทิตโกผู้ปฏิบัติธรรมจะพึงรู้เห็นตนเห็นเองภายในใจของตนเพราะเพราะใจเป็นผู้ปฏิบัติใจเป็นผู้บ่งการในการปฏิบัติใจเป็นผู้บงการ ในการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆในการละการถอนกิเลสประเภทต่างๆใจเป็นผู้ละใจเป็นผู้ถอนใจเป็นปวดผู้ต่อสู้ใจเป็นผู้อดทนเมื่อต่อสู้ไปมากน้อยกิเลสหมดไปมากน้อยใจจิงเป็นผู้ทราบเมื่อกิเลสหมดไปมากน้อยเพียงไรทำก็ตากฏขึ้นมากน้อยเพียงนั้นในขณะเดียวกันพอกิเลสสงบตัวลงลงไปดื้ หมดลงไปโดยลำดับรำก็ปรากฏขึ้นโดยลำดับเพราะกิเลสหมดไปโดยสิ้นเชิงทำก็แสดงขึ้นเต็มที่ภายในใจอย่างเต็มดวงจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกรู้อยู่ที่ใจนี้ไม่ได้รู้อยู่ในการนั้นในสมัยนี้ทำไม่มีการไม่มีสมัยเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาภายินใจเช่นเดียวกับกิเลสซึ่งมีอยู่ในหัวใจคนไม่ขึ้นอยู่กับการกับสมัยไม่ขึ้นอยู่กับคําว่าหญิงว่าชาย ความโลภต้องเป็นความโลภในหัวใจความโกรธต้องเป็นความโกรธในหัวใจความหลงต้องเป็นความหลงในหัวใจราคะตัณหาความฟุ้งเฟอเ้อเหื่เฮิมต้องเป็นกิเลสประเภทนั้นๆอยู่ภายในจิตใจไม่มีวันมีคืนยืนเดินนั่งนอนเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อแก่กิเลสปฏิบัติเมื่อไรแก้เมื่อไรต่อสู้กันเมื่อไรก็เรียกว่าเราขึ้นสนามโลกเพื่อชัยชนะเมื่อนั้นด้วย เครื่องมือคือหลักธรรมของรพระพุทธเจ้าที่ทรงมอบให้แล้วโดยถูกต้องดีงามเหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสทุกประเภทให้ทิ้นซากภายในหัวใจสารที่ตีโกอาการนีโกไม่ต้องไปเลือกการไม่เลือกสมัยอย่าให้กิเลสมันหลอกลวงว่าสมัยโน้นท่านบรรลุตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมจํานวนมากน้อยเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นมาสมัยนี้ธรรมไม่มีมีแต่าศาสนธรรมมีแต่ชื่อของธรรมเท่านั้นธรรมไม่มี อย่างนี้เป็นความเข้าใจผิดและเป็นเครื่องหลอกเป็นเรื่องหลอกลวงจากกิเลสมาปฏิปทาบเราในการจะบําเป็นความดีแต่การสั่งสมกิเลสกิเลสไม่เห็นบอกว่าเวลานี้กิเลสหมดสมัยไปแล้วเหมือนกับธรรมที่หมดสมัยไปแล้วข้างข้างพุทธการนุ้นในข้งนี้กิเลสเก็ไม่มีธรรมก็ไม่มีเพราะหมดสมัยไปตามตามกันอย่างนี้กิเลสไม่เห็นบอกไว้เลยกิเลสคงเป็นกิเลสบันยั่งคํา ความโลภถ้าเกิดขึ้นภายในใจก่อนแสดงความโ ก, กรธกบายให้เดือดร้อนไปหมดหาความอิ่มพอไม่ได้คนนั้นตายด้วยความหิวความโหยเพราะความอยากนั่นแหละมันฆ่าตัวเองความโกรธก็ตัวําตัวแดงขึ้นทั้งครั้งนั้นครั้งนี้เหมือนกันเป็นไฟได้ด้วยกันทั้งนั้นทั้งครั้งนั้นครั้งนี้เราจึงไม่ควรเลือกการที่จะ ปฏิบัติต่อกีเลห์ประเภทต่างๆชำระกีเลห์ประเภทต่างๆด้วยอาจด้วยธรรมของอุริเจ้าซึ่งเป็นอาการลิด ก, กัดอาการยึกรมหาการหาเวลาไม่ได้ใครนำมาใช้เมื่อไรต้องได้ผลได้ประโยชน์เนี่ยเอหิปัสสิโกธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปทั้งภายนอกทั้งภายใน เฉพาะอย่างยิ่งให้เห็นได้อย่างชัดเจนท่านเบอกว่าเอหิท่านตรงน้อมจิตย้อนจิตเข้ามาสู่ภายในตัวของท่านนี้เอหินั่นอ่ะให้พิจารณาดูเรื่องชาติปีตุขาชราลาปีตุขามารณ์นําปีตุขังอริยสัจจังชาติความเกิดก็อยู่ที่กายนี้ชาลาความแก่ก็อยู่ที่กายนี้มารณะความ เจ็บไข้ได้ป่วยถึงขั้นตายมันก็มีอยู่ภายในกายนี้ให้เห็นสิ่งที่เป็นภัยต่อตัวเองอยากได้เพิดได้เพลิลืมเนื้อลืมตัวจนไม่รู้จักยับยั้งช่างตัวจนกระทั่งถึงมันตายตายเปดาะความหวิวความโหยเพราะอำนาจกิเลสฉุดด้าไปจนถลอกปอกเปิดคะยังไม่ได้ตายแล้ว ก็หาที่อยู่ที่อาศัยไม่ได้เพราะตนไม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้เนื่องจากเชื่อกิ้เล่ห์จนเกินไปจนถึงกับหมดเนื้อหมดตัวท่านสอนอย่างนี้นีเรียกว่าเจหิปัิโกในธรรมท่านกล่าวไว้ว่าในทางปริยัติท่านกล่าวไว้ว่าทำเจหิปฏติโกสามารถประกาศคนอื่นให้มาดูธรรมของจริงได้ เอาให้ถึงใจไปหาประกาศใครให้มาดูทำของจริงได้ละ่ะอยู่ที่ไหนถ้าเอาให้จริงให้จังก็ตัวเองเป็นผู้ปฏิบัติเพราะพรพุทธเจ้าแสดงว่าทุกขังอเดียตจังมีอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่กายกับใจของคนเวลานี้ของเราเวลานี้ดูที่กายที่ใจของตนที่มันแสดงทุกอันเป็นผลขึ้นมาเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอันใด ร่างกายของเราเก็บใข้ขได้ป่วยก็มีสาเหตุอันหนึ่งที่เกิดเกิดขึ้นมาที่เดได้รับความทุกข์ความลำบากความทรมานก็เพราะสาเหตุอันหนึ่งได้แก่สมุทยัยคือตัวที่เดชมันผิดผล ข, ขึ้นมาให้รับความเป็นทุกข์มันมาจากไหนสาเหตุมันท้ามาจากที่เดสทันหาอัุระแล้วเราจะอะไรเป็นเครื่องดับระงับระงับดับมันให้ทิ้นท่าไปนอกจากมรรคไม่มีนะเอามรรคเข้ามรรคมรรคะอริยสัจจงมาดับ ทุกขังอยายะสัจตังและสัจอยายะสัจจังและสมุทยัยอายะสัจจังดาบด้วยมรรคได้แก่ทานศีนภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาย่อเข้าไปได้แก่สติกับปัญญาเป็นทั้งขัดแก้ทุกขกับสมุทัยแก้ที่ตรงนี้มันท้าทาอยอยู่นี่ทุกขกภากฏอยู่อย่างเด่นดวงอย่างชัดเจนไม่ว่ากลางวันกลางคืนจุดตะเกียงดูไม่ดูก็รู้กลางวันก็รู้ได้กลางคืนก็รู้ได้เจ็บขึ้นที่กายตรงไหนอวัยวะส่วนใด เกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นภ า, ายนจิตใจเกิดขึ้นขณะใดามากน้อยเพียงไรเกิด ข, ขึ้นเพราะเหตุผลกลไกอะไรมันก็เกิดที่ใจไม่จําเป็นจะต้องจุดกระไ้หรือไม่ต้องเปิดไฟฟ้าดูมันก็เห็นคือไม่มีวันมีคืนมันเป็นอาการยิโกเหมือนกันดูเวลาไหนก็เห็นอย่างชัดเจนท่านจึงสอนว่าเจหิปติโก ให้ย้อนจิตเข้ามาดูความจริงที่มันเป็นอยู่กับกายกับใจของเราทุกวันนี้ด้วยสติปัญญาจะสามารถรู้แจ้งแทงทะลุความจริงข้างหลานี้ด้วยอำนาจแห่งสติปัญญาพ้นไปไม่ได้เลยเนี่ยเมื่อสติปัญญามีความสามารถแจก้าเข้าไปแล้วย่อมสามารถจะตัดขมูไถยอันตัว เป็นสาเหตแห่งทุกนั้นให้ขาดไปโดยลําดับลํำดับๆๆนิโรธคือความดับทุกจะดับไปตามลําดับแห่งมรรคที่มีกําลังตัดยิ่งเด็ดขาดไปโดยลําดับเมื่อมรรคมีกําลังเต็มที่แล้วก็สามารถดับทุกได้โดยสิ้นเชิงที่เรียกว่านิโรธนั่นนาทัวฑ์สันทิฏฐิโกเห็นเองก็เห็นที่นี่เอหิปัจิโกให้ย้อนจิตตัวเข้ามาดูที่นี่จะว่า แบนให้สามารถทา่ทาประกาศให้คนอื่นมาดูธรรมของจริงได้ใครจะมาดูธรรมของจริงได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าบ้าไปนั่นเดินไปไหนไปบินถมาบาทก็ว่ามาดูนธรรมของจริงอยู่กาธมาอัตมารูปธรรมของจริงแล้วอย่างนี้เขาจะเรียกว่าพระนิพพิปริตไปแล้วนี่เขากําลังจะใส่บาตรก็จะเพ่นนี้แหละเพราะพระประกาศให้เขามาดูธรรมของจริงที่มีอยู่ในตัวทั้งๆ ท, ที่ตัวก็ไม่รู้ตัวเข้าไปเห็นแล้วประกาศคน อื่เนี่ยเขามาดูธรรมของจิ่งในตัวได้อย่างไรเพื่อความเหมาะสมจิงตัวเองต้องย้อนจิตเข้ามาดูตัวของตัวสมกับว่าเอหิเอหิพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกและธรรมนี้เป็นเครื่องสอนตนต น, ตนเป็นผู้สอนตนมากท่านจงย้อนธรรมคือตัวนจะขังให้ย้อนจิตเข้ามาดูจุดที่ธรรมมีอยู่ทั้งสมุทัยทั้งทุก ทั้งนิโรธทั้งมรรคมีอยู่ที่นี่ดูที่ตรงนี้จะรู้แจ้งแทงตลอดในสถานที่นี้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายไม่ผิดกันไปแม้ก็บียดหนึ่งเลยนี่อากาลิโกก็ได้กล่าวแล้ววิตบวินยูหีบรรดาท่านผู้รู้ทั้งหลายจะรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นที่ใจนี้ใจเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมทั้งหลายธรรมจะปรากฏขึ้นมากน้อยปรากฏ ข, ขึ้นที่ใจ พระพุทธเจ้าพร ะ, พระสงฆ์สาวกถันนำทมออกมาจากใจของนั่นมาดังสอนพวกเลับเพราะนั้นจึงดัดแปลงภาชนะของตนให้ดีได้แจ่ใจและจะเป็นก่สมมากสมหมายทมทั้งหลายจะได้ปรากฏขึ้นมาสมาธิธรรมซึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อก็จะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาที่ใจของนักปฏิบตัติไม่ว่าสมาธิขัน้ขนใดคณิกะสมาธิก็ดีอุปจารสมาธิก็ดี ปนาสมาธิก็ดีจะปรากฏขึ้นที่กายของกูนั้นให้ได้ชมด้วยข้อตามด้วยข้อปฏิบัติของตนปัญญาขั้นใดก็ตามตั้งแต่รุณาวิปัสนาได้แก่ปัญญาขั้นอ่อนพิจารณาความเกิดแก่เก็บตายซึ่งมีอยู่ในร่างกายของตนและทั่วโลกธาตุเป็นอย่างเดียวกันนี้หมดพิจารณาตรงไหนก็ได้ประสับประสาทกันตั้งขังนอกขังใ น, นดังสติปัฏฐานสี่ท่านกล่าวไว้ว่า ฉัตตาวาภิทาวากายเกกายานุปสิหาสิเป็นหลังนี้เป็นต้นพิจารณาทั้งภายนอกพิจารณาทั้งภายในด้วยสติปัญญาอันแหลมคมย่อมจะสามารถทราบได้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเหล่านี้ด้วยปัญญานี้ปัญญาไปไม่พน้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งเพิกสู่ผู้ปฏิบัติ จิงควรสนใจกับสมาธิและปัญญาให้มีความเท่าเทีเทยมหรือเสมอกันนั่นแหละเป็นของสำคัญนั่งอยู่ก็ให้มีความเพียรเดินอยู่ก็ให้มีความเพียรยาสักแต่ว่าเดินเดินจงกรมเดินวันยั่งคํากว่าตามถ้าหาสติหรือปัญญาความพินิตพิจารณาสติความระลึกรู้ตัวอยู่ในขนาดนั้นไม่ได้แล้วจะเดินทั้งวันทั้งคืนก็สักแต่ว่าเดิน เหมือนกับโลกเขาเดินกันเขามีแค่มีขาเขาเดินกันไปทั้งนั้นแหละยิ่งสุนัขด้วยแล้วมันมีทั้งสี่ขาไม่ว่าจะเพียงเดินมันวิ่งก็ได้สุนัขยังไม่เห็นประเสริฐอะไรยังเป็นสุนัขเพราะมันเดินตามภาษาสุนัขวิ่งตามภาษาสุนัขเราเดินจงกลมตามภาษาของคนไม่มีสติก็จะเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรคําว่าความเพียรพระพุทธเจ้าทรงมุ่งถึงสติกับปัญญา ที่จดจ่อต่อหน้าที่การงานของตนและพิจรารณาด้วยปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอตามการอันควรที่จะนำพิพันธ์มาพิจรารณานี้ท่านจึงเรียกว่าความเพียรความเพียรประเภทนี้แยเป็นความเพียรที่จะปราบปรามกิเลสให้หมดไปจา ก, กจิตใจได้ไม่ใช่ความเพียรสักแต่ว่าเดินจงกรมเดินไปเดินมาจิตใจไม่จดจ่อกับงานของตนเลยนั่งก็นั่งเถอะนั่งหลับนั่งสับประงกตงกัน นี้ใครก็นั่งได้สัพพงกหงานถ้าหากว่าความสัพพงกหงานมันเป็นมรรคหรือมันเป็นเครื่องสังหารกีเด็ดตายไปแล้วใครๆก็ตายไปขี้เด็ดก็ตายไปด้วยกันทางนั้นละ่ะเพราะพอเริ่มจะนั่งภาวนานมันสัพพงกหุ้นกันล่ะคนเราเวลานั่งฟังเพลงฟังนิรุญเจรละครสิ่งที่เพลิดเพลินนั่นโอมันทั้งปาทั้งร้องทั้งฮาเลยยุ่งไปหมดนั่นลืมเนื้อลืมตัวลืมเป็นลืมตาย พอจะนั่งภาวนาให้จิตมีความสงบบ้างของง่วงเหงาเข้านอนชาสมกงกงั่นนี่นี่เมื่อสติไม่มีมันก็ต้องสับะงกหลังจากนั้นมันก็หลับเท่านั้นความไม่มีสติด้วยการภาวนาจึงไม่จัดว่าเป็นความเพียรแต่เดินจงกรมอยู่ก็สับแต่ว่าเดินนั่งภาวนาอยู่ก็สับแต่ว่านั่งปิยาบทต่างๆถ้าไม่มีความเพียรเป็นมีสติปัญญาเป็นเป็นตน้นหรือมีสติเป็นตน้น เป็นผู้กากับงานอยู่แล้วไม่เรียกว่าความเพียรความเพียรของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้นั้นคือความเพียรที่สัมพยุตด้วยสติและปัญญาเป็นความเพียรที่จะทำกิเลสให้เหนื่อยอ้างระจากกิจใจจริงๆไม่ใช่ความเพียรเฉยๆสัพท์แต่ว่าชื่อศัพท์แต่ว่าขนบประเพณีเพราะศาสนาไม่ใช่ศาสนาประเพณีไม่ใช่ศาสนาสัพ์แต่ว่า เป็นศาสนาออกมาจากพระเจ้าองค์วิเศษอย่างแท้จริงการสั่งสอนพระเจ้าทรงสั่งสอนอย่างแท้จริงผู้ปฏิบัติจะมาทําเพียงลุ่มๆดอนๆเพียงเป็ น, เ ป, นเป็นประเพณีเพียงเป็นกิริยนานั้นเข้ากันกับหลักศาสนธรรมไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้การแก้กิเลสทุกประเภทจึงแก้ด้วยความจงใจมสีสติเป็นสําคัญมากเราจะกําหนดจิตให้สงบก่อนให้มี ส, สติเราจะ ถ้าทางสมถะเพื่อความสงบของใจจะใช้คําบริกรรมใดก็ให้มีความแน่วแน่มีสติดจดจ่อต่อคําบริกรรมนั้นก็พ้นความสงบไปไมาได้เพราะใจนี้ที่วอกแวกกังแกรนพราอหน้าของกิเลสถุดลากไปทางโน้นถุดลากไปทางนี้เมื่อทําข้อระงับดับกันหรือต่อสู้ต้านทานกันจิตใจก็มีที่ยุดจากอาจจากทำแล้วก็เข้าสู่ความสงบร่มเย็นไปได้นี่เรียกว่าสมาถี เป็นผลขึ้นแล้วภายใใจของเราแต่ก่อนก็ได้ยินแต่ชื่อตามตำรับตำราหาตัวไม่เจอแล้วก็มาเจอที่ใจของเรานี้ออกเป็นสมาธิคือความสงบแน่วแน่ภายในจิตใจหรือมีรากฐานนั้นส้ำขัดอันมั่นคงอยู่ภายในใจเรียกว่าสมาธิปัญญาได้กะแต่การคลี่คลายาพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งคลี่คลายดูรูปปัฏฐานทั้งเหล่านี่แหละรูปปัฏฐานลูปขันอันนี้เป็นเรื่องต้นแห่งวิปัสสนา พิจารณาดูตั้งแต่ความเกิดตกลงมาจากท้องแม่แม่จะอยู่ในท้องก็เป็นทุกข์อยู่แล้วถูกขังนั่นก้าวเดือนสิบเดือนคนเราจะไม่เป็นทุกข์อย่างไรดัง น, นั้นนักโทษมันกว้างกันกว้างขนาดไหนสถานที่อยู่ของเขาเขายังได้รับความทุกข์ความลําบากมากมายเราอยู่ในท้องของแม่มาเป็นเวลาเก้าเดือนสิบเดือนนี่ทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าเราจะพิจารณาย้อนหลังให้เห็นตามความจริงของตัวเองที่เป็นมาแท้ๆต้องเห็นความจริงโดยปิดไม่อยู่ะ อยู่ในท้องแม่กว้างขนาดไหนท้องแม่ของเรานั่นน่ะใครก็เกิดมาจากท้องแม่โดยการดูที่ความทุกข์มันเป็นยังไงเวลาอยู่ในท้องแม่นั้นน่ะทุกขนาดไหนเวลาตกคลอดออกมาก็ อ, ออกมาจากช่องแคบจงฉลบทลายพ้นจากความลสลบทายเรียกว่ารอดตายขึ้นมาแล้วเราถึงได้มาเป็นคนแต่คนอื่นที่มองดูก็ดีอกดีใจว่าลูกของ เจ้าเกิดลูกของแกเกิดอืลูกของท่านเกิดแม้ดีอย่างนั้นนี่ก็ดีนั่นแหละไม่มองดึงแต่เพลินเพินแต่ผู้ที่มันรอดความตายออกมานั้นอ่ะบางรายตายในท้องก็มีบางรายตายอยู่ในช่องแคบก็มีนอกจากนั้นก็สลบทลายออกมาไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันทุกข์ขนาดไหนนี่พูดถึงชาติปิตุขามันทุกข์อย่างนี้ถ้าเราพิจารณาให้เห็นตามหลักของปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงรู้จริงจริ ง, รงสอนไว้ จะต้องเห็นภัยแห่งความเกิดแห่งการตกคลอดออกมาเมื่อเกิดมาแล้วตั้งแต่วันเกิดมาเป็นยังไงต้องเยียวยารักษากันตลอดเวลาปัจจัยทั้งสี่ละไม่ได้เลยเครื่องนุ่งห่มต้องปกปิดให้ตั้งแต่วันตั้งแต่ขณะตกคลอดออกมายาแก้โรคแก้ภัยอาหารมีนมแม่เป็นต้นดื่มมาตั้งแต่บัตรนั้นตลอดมาจนกระทั่งบัตรนี้ ถ้าเป็นคนคนหนึ่งจะหมดไปสักกี่ล้านกี่แสนถ้าคิดเป็นเงินเป็นทองเพราะปัจจัยทั้งกี่ได้แก่เครื่องนุม่มหอมใช้สอยเสื้อผ้าอาพรต่างๆแล้วก็อาหารการบริโภคเครื่องอุปกรณ์ใช้ของแต่ละคนระคนมันหมดมากน้อยเพียงไรนี่ตั้งด้วนแน่ตั้งแต่เอามาเยียวยากองทุกให้มันพออยู่ได้เช่นนั้นเองถ้าเราจะเทียบกับความทุกข์อันนี้ที่เราบรรเทาทุกข์นี่เหมือนกับ คนที่เอาทานไปที่เต็มไปได้วยฝ่ายนั้นวางไว้บนฝั่งถ้าวางไว้อย่างนั้นเฉยๆตามมือก็จะต้องถูกลวกและร้อนเป็นกําลังทนไม่ไหวจึงต้องโยนขึ้นบนอากาศบ้างแล้วปล่อยให้ตกลงมาบ้างพอได้บันเท่าทั่วขนาดขนาดจนกระทั่งถึงสถานที่โปรงที่ทิ้งถึงจะทิ้งฐานฝ่ายนั้นมีร่างกายของเราก็ต้องรับทานบ้างต้อง ปูดง่ายๆก็ว่าต้องกินต้องนอนต้องขับต้องทายะยี่อย่างนั้นตลอดมานี่เหมือนกับโยนถ่านไฟขึ้นบนฟ้าพอเราได้บรรเทาบรรเทาด้วยการหลับนอนบรรเทาด้วยการรับทานเพราะความหิวโหยมันบังคับเบรรเทาด้วยอยู่ด้วยยาเพราะโรคมันบังคับเกียดแทงในร่างกายส่วนต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเหมือนกับ เราโยนถ่านไฟขึ้นบนอนองกาดและตกลงมาฝ่ามือที่เก่านี่โรคไา้ข้าเก็บมันก็เบาบางไปจากร่างกายชั่วขนาดขนาดและโรคนั้นเกิดขึ้นมาโรคหิวเกิดขึ้นมาโรคห่วงเหงาห้องนอนเกิดขึ้นมาเก็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นมาเย็บหัวจร้อนเปิดเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเยียวยา ก, กันอยู่เรื่อย ๆ, อยๆตลอดมานี่คือการพิจารณาคือเรื่องความทุกข์ชาติเป็นลูกหาชราเป็นลูกหาเรื่องชร า, าเราก็ทราบแล้วเป็นยังไง คนแก่เดินเป็นยังไงคนแก่อยู่สภาพใดนั่งอยู่เป็นยังไงสภาพของคนแก่เดินอยู่เป็นยังไงสภาพของคนแก่กําลังรับทานเป็นยังไงสภาพของคนแก่นอนอยู่สภาพของคนแก่เป็นยังไงร้วนแลนะตั้งแต่กอดทุกอยู่ทั้งนั้นทุบบิบพันตลอดเวลายิ่งหนานแน่นมากยิ่งกว่าคนธรรมดาเราหนุ่มสาวนี่เสียอีกนี่แหละท่านถึงว่าชาาปีตุขามันเป็นทุกข์อย่างนี้มานําปีตุขังขณะที่จะตาย นี่ก ร, กกรวลกวายกระเสือกระสนเช่นเดียวกับเวลาตกทอตออกมานั่นแหละยิ่งไม่มีสติตัตังไม่มีอัตมีธรรมเป็นเครื่องบงังคับเป็นเครื่องเยียวยารักษาประทับประคองจิตใจด้วยแล้วหาสติไม่ได้เลยทิ้งเนื้อทิ้งตัวตายแต่กับทั้งหมดวความไม่มีสตินั่นแหละไม่เป็นของดีเลยถ้าจึงให้พิจารณาเรื่องความทุกข์ทั้งหลายตรงนี้เด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาจนจิตใจมีความสามารถเก็บ แก่กล้าสามารถพิจารณาสิ่งเหล่านี้ได้อย่างช่ําชองด้วยความอาจกระหายนี่เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาทางด้านวิปัสสนาหน้าของนักภาวนานะดับที่สองก็พิเมื่อพิจารณาร่างกายเหล่านี้แล้วเล่าทําซ้ำซากซากวกไปเวียนมาจนเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วจิตย่อมปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอุปทานแห่งรูปกายอันนี้เสียได้ สวนเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าขันห้าเหมือนกันนั่นเป็นนา ม, มาขันก็พิจารณาเรื่องความทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นที่ไหนภายในร่างกายอันนี้ตลอดถึงเกิดขึ้นภายในา จ, จิตใจก็ต้องพิจารณาแยกและออกจากใจเห็นดึกความชัดเจนทุกเป็นทุกเกิดขึ้นมาที่ไหนก็เป็นทุกที่นั่นมันเป็นความจริงอันหนึ่งของมัน มันเพิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปตามภาพจิตเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมภายในร่างกายของเหล่านี้ไม่ใช่ทุกทุกไม่ใช่ใจใจไม่ใช่ถูกกายไม่ใช่ใจใ จ, ใ จ, ใจไม่ใช่กายแยกแยะ ก, ก, ก, กันให้เห็นตามความจริงของมันจนชัดแจ้งด้วยปัญญาแล้วจิตก็ถอนตัวออกจากเวทนานั้นอย่าเพียงพูดแต่ว่า ทุกขเวทนาที่มันบีบคั้นที่ซึ่งเราไม่ปรารถนาเลยแม้จะสุขเวทนาจิตก็แยกออกได้ถ้าปัญญามีความฉลาดแถมผมพอแล้วแยกได้ทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความจําได้หมายรู้ความคิดความปรุงก็เป็นอาการอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากจิตเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายไม่ว่าคิดดีคิดชั่วดับไปด้วยกันทั้งนั้น ถิดปัญญาพิจนาอย่างชารอบรู้ตลอดทั่วถึงย่อมสลัดออกจากจิตใจได้ไม่มีสิ่งใดเหลือนี่ท่านเรียกว่าอิปัสสนาอย่างนี้แหละพ่าพุทธเจ้ากอดีสาวกวาอกีท่านทรงดำเนินอย่างนี้แล้วท่านกับล่อยวางภาระทั้งห้า อ, อันใหญ่โต น, นี่ยภูเขาภูเราซึ่งเป็นอยู่ภายในร่างกายนี้ออกได้โดยลาดับจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือ เหลือตั้งแต่จิตกับกิเลสซึ่งเป็นเชื้อที่จะพาให้เกิดให้ตายนั้นอยู่ภายในใจโดยเฉพาะเท่านั้นปัญญาก็สามารถแทงทะลุเข้าไปในจุดนั้นจนไม่มีเหลือที่นี่อวิชชาปัญญาสรางขาราก็ขาดจะเดินออกไปจากใจเหลือตั้งแต่ใจที่บริสุทธิ์รุนร้วนนั่นแหละคือใจที่เป็นธรรมทั้งดวงนั่นแหละธรรมที่ได้ บันตุใจทั้งดวงบันตุกันที่ตรงนั้นความรู้แจ้งแทงตลอดก็รู้แจ้งแทงตลอดตรงที่ลุ่มๆหลงๆมืดๆ ด, ด, ดำๆอยู่แต่ก่อนผานในหัวใจดวงนั้นแหละเช่นเดียวกับสถานที่นี้เวลาดับไฟไปยังไงมืดแต่ทิศแต่ด้านแต่เวลาเปิดไฟขึ้นแล้วมันก็จางแจ้งขึน้นในสถานที่มันมื ด, มดนี่แหละยิ่งเลยมันจะเคยมืดนัก ตามตามานานเท่าไรก็ตามไม่สำคัญพอปัญญาได้เกิดขึ้นทันนั้นแสงสว่างจา้าภานดวงใจของเราก็รอบตัวทันทีกิเลสทุกประเภทซึ่งเป็นจอมมืดจอมบอดสลายตัวไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเหลือแต่ความบมริสุทธ์ล้วนนั่นแหละท่านว่าเห็นธรรมเห็นใจตัวเองทั้งฝ่ายกิเลส ก, ก็ได้เห็นชัดเจง ในแก้ไขกิเลสต่อสู้กับกิเลสด้วยวิธีการใดๆก็ทราบกันเต็มยันเต็มที่เต็มฐานภายในจิตใจเรียกว่าสันทิฏฐิโกรู้รเองเห็นเองทั้งกิเลสและธรรมรู้เองเห็นเองทั้งการต่อสู้กับกิเลสด้วยคุ่นอุบายวิธีใด ห, หนักเบาประการใดดูด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองกิเลสขาดสะบั้นไปจากใจก็รู้ด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองเมื่อกิเลสหมดไปจากใจไม่มี กินได้เหลือแล้วเหลือตั้งแต่ทำทั้งแท่งภายในจิตใจที่บริสุทธิ์ร่วนๆแล้วก็ทราบปากกายได้หมดสิ้นเรื่องแล้วเรื่องความเกิดจากเก็บตายที่เพราะอํานาจของกิเลตแทรกสิงเป็นเชื้ออยู่ภาในาใจให้พาเกิดตายได้สิ้นทราบไปหมดแล้วบัดนี้ความเกิดอีกหาไม่แล้วน่า การพิสูจน์เรื่องความเกิดความตายให้พิสูจน์ทางด้านปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะไม่สงสัยตัวเองพระพุทธเจ้าจะไปผพานไปนานเพียงไรก็ต า, ามความจริงคงเส้นคงวาไม่ได้เสด็จไปตามพระพุทธเจ้ามีความจริงอยู่ตลอดเวลากับบุคคลแต่และคนผู้ถือความจริงคือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อจะรู้ความจริงด้วยการปฏิบัติต้องรู้ได้เห็นได้จริงได้ด้วยกัน ไม่ขึ้นอยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดเพราะพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดในเรื่องมรรคผลนิพพานที่ผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับตามกําลังและความสามารถของตอนในหลัการพิสูจนเรื่องความเกิดความตายพิสูจลงที่ตรงนี้เาเพียงความคาดความหมายว่าตายแล้วไปเกิดที่ไหนเราเกิดมา ก, กี่ภพ ก, กี่ชาติไม่รู้เรื่องทั้งๆ ท, ที่เราเป็นนักเกิดนักท่องเที่ยวเราจะรู้ได้ยังไงสิ่งที่ปกปิดกําบังเรามันมีอยู่ และอนาคตการข้างหน้าเราจะรู้ได้อย่างไงเพราะปัจจุบันมันมืดบอดดูแล้วเมื่อแก้ปัจจุบันตัวมืดบอดนี่ให้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาภายในตัวแล้วอดีตก็ตัวนี้แหละเป็นผู้รู้เป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตัวเกิดอนาคตก็ตัวนี้แหละอีกดวงเดียดนี้แหละที่จะพาไปเกิดเกิดเป็นภพใดาชาติใดกำเนิดใดก็ต า, กตามก็ตัวนี้แหละชัดตรงไปทีนี้ ธรรมชาติที่จะพายเกิดได้ทิ้นสร้างลงไปแล้วเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นคือผู้นีแ้แลเป็นผู้หมดไยัยผู้นีแ้แลเป็นนิวัตะจักไม่เป็นวัตะจักเหมือนแต่ก่อนกลับมาเป็นนิวัตะจักดุบแล้วซึ่งความหมุนเยียนเหลือแต่นิวัตะจักคือไม่ต้องหมุนไม่ต้องมีสิ่งใดมายุ่ยแย่ก่อกวนมีแต่ความสุขล้วนๆภายในใจ ร่างกายจะแตกก็แตกไปเพราะเป็นเหมือนโลกทั่วไปอันนี้เขาเราหยืดยืมสมบัติของโลกมาใช้จะให้คงเส้นคงวาอยู่ได้อย่างไรดินน้ําลมไฟมาผสมกันเข้ามีจิตเข้าไปยึดไปครองกลายเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาเราก็ยึดถือดินน้ําลมไฟว่าเป็นเราเป็นตัวของเรา หากเราไม่รอบคอบเมื่อสิ่งนี้ยิควิการไปเราก็เดือดร้อนเสียใจเป็นโรคภานใจขึ้นอีกยิ่งหนักยิ่งกว่าโรคภานกายที่เกิดขึ้นในเบนื้องต้นเป็นไหมไหนเมื่อเรารู้แจง้งแทงทะลุสิ่งเหล่านี้แล้วถึงการจะไปก็ไปมเมื่อยังไม่ไปก็เยียวยารับผิดชอบกันไปเมื่อถึงการแล้วปล่อยวางลงตามเป็นจริงเพราะตาข่ายคือยานความรู้แจง้งแทงทแทงตลอดนั้น ได้รอบไปหมดแล้วกับสภาพเหล่านี้จะ ต, ตายเมื่อไหร่ก็อยู่ก็ก็ตายไปได้ไม่เสียดายจะยังอยู่ก็ไม่เป็นกังวลกับสิ่งใดความตายก็ดีความยังมีชีวิตอยู่ก็ดีของพระกินาสกเจ้าทั้งหลายผู้สิ้นจิดตแล้วจึงมีน้ำหนักเท่ากันตายไปท่านก็ไม่ได้มีข้อหนักใจจะยังอยู่ท่านก็มีข้อหนักใจเพราะตายไปก็ไม่มีอะไรเสีย ความเบย์สุดของท่านไม่ใช่ความตายเรื่องความตายความสลายเป็นเรื่องพาดเรื่องขันต่างหากจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่บริสุทธิ์นอกจากขันแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียกันเลยท่านจะไปเสียใจกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรท่านจึงไม่เสียใจมีชีวิตยอยู่ท่านกไ็ไม่ได้อะไรเพิ่มอีกจากความบริสุทธิ์ให้ยิ่งกว่านั้นไปไปไม่มีเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่กับความตายไปของปรารหัน ถ้าไม่แยกแยะเอาไปสู่ประโยชน์ของประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วท่านจะมีน้ำหนักเท่ากันถ้าแยกแยะความเป็นอยู่เพื่อประโยชน์ประชาชนนั้นความเป็นอยู่จะมีน้ำหนักมากกว่าคือท่านมีความมีชีวิตความเป็นอยู่นานเพียงไรโลกก็ได้รับผลรับประโยชน์จากท่านโดยการแนะนําสั่งสอนที่เขากราบไหว้บูชาทําบุญให้ทานเขาได้รับผลประโยชน์จากเมื่อนาบุญอันยิ่งเสรีโก ศักดิ์สิทธิ์ของท่านท่านจึงถือว่าการยังมีชีวิตยอยู่มีน้ำหนักมากกว่าการต า, ตายไปเสียเพื่อประชาชนเท่านั้นไม่ใช่เพื่อท่านหากเป็นการเพื่อท่านแล้วเพื่อท่านไม่มีตายไปก็คือธาตสลายไปก็คือธาตยังมีชีวิตยอยู่นี่ก็คือดินน้ำลมไฟใจก็คือใจที่บริสุทธิ์ดูรอบขอบคิดแล้วไม่ยึดไม่ถืออุปทานคอนิมัน่นถือมั่นไม่มี เป็นเหมือนกับว่าตายหรือไม่ตายก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันนี่การประพฤติปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจา้าถ้าดําเนินตามหลักแห่งความจริงที่ธรรมสอนไว้แล้วจะไม่เป็นอย่างอื่นเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพิสูจผู้บวชผู้ปฏิบัติพึงทําหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ด้วยการประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานของพระโดยแท้จริงงานนอกนั้นเป็น งานพอความกังวลถ้าโลยความพอดีไปแล้วกลายเป็นความกังวลคนกิดพระมาบวชมาจากคนบ้านคนเขามีบ้านมีเรือนพระต้องมีกุฏิมีที่อยู่ที่อาศัยเป็นธรรมดาแต่ให้พออยู่พอเป็นพอไปพอได้หลับได้นอนโภกปิดความเย็นความร้อนความหนาวดินฟ้าอากาศ ป้องกันสิ่งนี้ไปพอประมาณเช่นเดียวกับประชาชนเขานั้นไม่เสียหายแต่ความหนักแน่นทางการเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาของตนให้ยิ่งยวดขึ้นไปนั้นเป็นงานของพระโดยจัวให้ทําความหนักแน่นมั่นคงต่องานอันนี้อันใดจะขาดตกบกพร่องไปมากน้อยไม่สําคัญสําคัญที่นี่ขาดตกบกพร่องไปมากน้อยก็ขาดตัวเองจริงๆเสียตัวเองจริงๆได้ก็ได้ตัวเองจริงๆ งานนี้จึงเป็นงานสาคัญพระพุทธเจ้าทรงสอนหนักเน้นหนักลงในงานนี้ขอให้ทุกทุกท่านมีความสนใจต่องานของตนคืองานเดินจงกรมนั่งสมาธิธภาวนานี่คืองานของพระแท้ข้างพุทธการท่านมีงานอย่างนี้อะไยมายุ่งเดืองวุ่นมากับกามก่อสร้างนั้นก่อสร้างนี้กอแข่งขันกันสร้างวัตถุแข่งขันกันที่ไหนมันก็มีอ่ พอเอาออกไปจากอิฐจากปูนจากหินจากทรายจากเหล็กก่อขึ้นกี่หมืน่นกี่พันกี่แสนชั้นมันก็คือนหินคือปูนคืออิฐคือทรายแข่งขันปันกันทํำไม่แผ่นดินทั้งโลกมันมีอิฐมีปูนมีหินมีทรายทั้งนั้นแข่งขันกันไปหาประโยชน์อะไรแข่งขันกับกิเลสที่ดีกว่าหิงกิเลสมันต่อสู้กับเราเหยียบย่าทําลายเราทุวันหาเวลาชนะมันไม่ได้เอาต่อสู้ให้มันชนะเอาชนะกิเลสแล้ววิเศษวิโส สิงลนั้นไม่ค่อยเป็นของวิเศษเพียงอาศัยไปชั่วงการเวลาเท่านั้นนี่เป็นหลักใหญ่ของผู้ปฏิบัติทางด้านพิสูจเราขอให้ทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัติเอาให้หนักให้จิตเรียดมันได้หงายท้องขึ้นฟ้าดูได้เห็นต่อหน้าต่อตาเราสักีเป็นไรแต่ไม่อยากเห็นที่ว่ะคะหงายท้องขึ้นฟ้ากลับก ร, กรอบอยู่บนหมอนเราไม่อยากเห็นอละขอหยุดติดการตัวนี้